บุ๊ทูยี่สิบห้าสองสิบห้าในเมืองดีคอตาดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟสายะอยากไปที่สถานีรตไ ดิฉันต้องการไปที่สนามบิน saya อยากไป e b a n d า r a ดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมืฉันอง s า y ไป n g i ส ke p u ิ a t k o t อที่ดิฉันจะไปสถานีไี้อยางไรคะ b a g a i m a n ด c a r a n ้าาอ agar saya ่ a p า t ke stasiun k e ไ e t a ดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ bagaimana caranya agar saya dapat ke bandara? ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะ bagaimana caranya agar saya dapat pergi ke ศูนย์เมืองดิฉันต้องการแท็กซี่ saya butuh tak ดิฉันต้องการแผนที่เมือง saya butuh peta kota ดิฉันต้องการโรงแรม saya butuh อตดิฉันต้องการเช่ารถยนต์ saya อินเมเ wa โมบิล นี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะนี่การ์ดูเครดิต saya นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะนี i ซิม saya ในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะอ p a รทีปป่สามารถดูไ ด, ด้ในเมืองคุณไปเมืองเก่าสิคะ kota ล่ะ ah คุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะเบาอ์ nya, คุณไปที่ท่าเรือสิคะคุณ ah ไปที่ท่าเรือสิคะ Pergilah anda ke p e l a b u เรือสเที่ยวรอบท่าเรือสิคะ คุณเดินไปรอบๆท่าเรือ uh ยังมีที่เที่ยวที่อื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะ Obje ที่ยวอ a ไรอีกบ้างที่เที่ยวอะไรอีกบ้าอกี่ยออรอณายอไปที่ w w w b o ว k ะไรอีการับหาัที่งสือแลรบะดางวอ์โหลดเวอะร์ชัา่เ่วา่เ่วอราเ่่่า